ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมพระบทยานได้นำเสนอเรื่องสมาธิธในระดับที่เรียกว่าโลกิยาสมาธิสืบต่อกันมาตามลำดับแล้วก็ค่อนข้างจะพิสดารเพราะว่าไปเชื่อมโยงกับสมาธิธที่ทรงแสดงไว้โดยปริยายอื่น ประทำปกติแล้วคนเราถ้าหากว่ามีความเห็นแยกแยะอะไรอไอกไปได้อย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นทางเสื่อมทางเจริญทางสุขทางทุกเนี่ยก็ถือว่ามีปัญญาเห็นชอบในระดับนั้นๆเนื่องจากสมาธิิเป็นเรื่องของปัญญาศิกขา คือการศึกษาระดับปัญญาก็สามารถพัฒนาขึ้นไปสู่ผลสูงสุดก็คือรู้ยิ่งเห็นจริงในรียสัตว์ทั้งสี่ประการแต่ว่าตอนที่เรียกว่ารู้นั้นท่านเรียกว่าสัมมาญาณเท่า น, นั้นเองมันเป็นการพูดถึงผลรวมของอรียมาร์มีองแปดประการ เมื่อได้รับการศึกษาประพฤติปฏิบัติให้สมบูรณ์แล้วก็จะกลายเป็นสัมมาญาณขึ้นซึ่งก็มีนัยะที่จะต้องกล่าวในโอกาสต่อไปมีนัยยะหนึ่งที่ท่านแสดงสมาทิทฐิมีองค์ห้าเอาไว้ทื่ว่าการตามความเป็นจริงแล้วก็คือหลักละธรรมที่มีการจำแนกแสดงไว้ในประยายอื่นนั่นเอง เปียนแต่ว่าในที่นี้เป็นการพูดถึงตัวเหตุให้มันเกิดสัมมาทิฏิที่มีการพัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นไปโดยลาดับจนก็ไปบรรจบกันที่อริมักเบวงแปดประการนะครับในพ้อแรกท่านแสดงเรื่องงสศีลคือการสำรวมระวังรักษาอาการกายวาจาของตน ระดับศีนนั้นในเบื้องต้นก็ถือว่าการทำการพูดอะไรก็ตามทำไม่สร้างปัญหาแก่ตนเองไม่สร้างปัญหาแก่บุคคลอื่นก็ถือว่าเป็นผู้มีศีนระดับนั้นๆแต่เมื่อมองให้ลึกซึ้งลงไปท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าบทบัญญัติของศีนที่เริ่มจากหยาบสุดเนี่ย คือการสร้างปัญหาให้แก่บุคคลอื่นพูดง่ายๆว่าเบียดเบียนบุคคลอื่นแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเบียดเบียนตัวเองเป็นความประณีตของสี่แต่ทีนี้ถ้าเรามองเทียบเคียงถึงผลทึงเกิดขึ้นจากการเบียดเบียนเนี่ยสมมติว่าเราเบียดเบียนบุคคลอื่นถึงขนาดว่าฆ่าเขาตายเนี่ย ถต่เทียบเกียกันแล้วนี่น้ำหนักนั่นเป็นการเบ็ดเบียนตัวเองมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนผู้นั้นที่เราฆ่าเนี่ยเขาก็ตายเร็วขึ้นดังนั้นเนแต่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อฆ่าใครเราไปฆ่าเขาก็าทำให้คนตายสมมติว่าตายหนึ่งคนเนี่ยเขาก็ตายทท่านั้นเนี่ยเกี่ยงแต่ว่าตายเร็วขึ้น แต่เรานั้นจะดึงวงสาคณา ญ, ญาติครอบครัวเข้ามาร่วมตายด้วยเขาเป็นบุคคลที่ถูกสังคมเขากำลังเกลียดเตียดฉันและที่สำคัญอย่างยิ่งคือคนที่เราฆ่าเนี่ยเขาอาจจะไปบังเกิดในสุกติก็ดีกว่ามีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ด้วยซ้ำไปแต่เราผู้ฆ่ามนุษย์เนี่ยแน่นอนว่าตายไปตรงนรก ซึ่งหลักความคิดเราเนี้ยถ้าเรามองให้ดีแล้วก็จะเห็นว่าศีลนั้นเป็นการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองไม่สร้างปัญหาให้แก่ตนเองไม่สร้างปัญหาให้แก่บุคคลอื่ น, อนความผิดระดับศีลโดยทั่วทั่วไปนะฮะไม่จะศีลที่ละเอียดความผิดระดับศีลโดยทั่วๆไปก็คือสร้างปัญหาให้ทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นแต่พอเทียบเคียงแล้วเนี่ยตนเองจะมีปัญหามากกว่าบุคคลอื่น ไม่ไม่ว่าจะเราพูดเรื่องข้อค่าสัตว์ก็ตามรักทรัพย์ก็ตาม ร, ราพูดผิดในทางประเวณีก็ตามพูดเกเรก็ตามพวกนี้ถ้าละเมิดเนี่ยคือถือว่าเป็นทางนารกถ้หมดเว้นได้ก็ถือว่าเป็นทางสวรรค์เพราะฉะนั้นคนที่เราล่วเกินชีวิตเขาทรัพย์สินเขาคู่ครองเขาหรือโกคกลบปลงเขาเนี่ยเขาก็ประสบปัญหาระยะสั้นๆ แต่ว่าเราซึ่งไปล่วงเกินเขาจะปประสบปัญหาระยะยาวที่ทรงช่างใช้คำว่าตายแล้วไปบังเกิดในทุกติบินิบาทนระกกสุรกายก็ตามแต่เจตนาแล้วก็สิ่งที่เราทำลงไปในขณะนั้นๆนั้นีลิจึงเป็นเรื่องจิตสมนึก เป็นแนวความคิดที่เอาใจเขามาใส่ใจเราได้ทางความเข้าใจถึงกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมดาได้เนี่ยก็สามารถสํารวมระวังให้เป็นศีลขึ้นมาได้อยันท่านเล่าถึงคนคนหนึ่งแม่ก็ป่วยหนักหมอที่มารักษานั้นบอกว่าถ้าต้องการใจใแม่หายเนี่ยต้องเอาเลือดกระต่ายสดๆมาเป็นกระสายา มาผสมกับยาที่จะปรุงพี่ชายก็สั่งให้น้องชายไปจับยาไปจับกระต่ายซึ่งก็ใกล้บ้านเนันก็มีเด็ไปจับเอาลูกกระ ต, าต่ายตายก็ร้องแม่ก็วิ่งบนเป็นห่วงเป็นยายลูกเห็นว่าเด็กได้ความคิดว่าเนี่ยกระต่ายเขาก็มีแม่แม่เขาก็มีลูก เราจะจับลูกหรือจับแม่ไปก็ตามมันก็สร้างความพลาดพลาดสูญเสียเกิดขึ้นกัสัตว์แล้วก็การช่วยชีวิตแม่คนอื่นเพื่อทําลายแม่ของอีกคนหนึ่งหรือทําลายลูกของอีกคนหนึ่งมันไม่ยุติธรรมสำหรับบุคคลอื่นเพราะเขไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราวันดีขคืนดีเรามาฆ่าเขาเพื่อเอาเลือดไปเป็นกระสายให้ชีวิตแก่แม่เรา การกระทำชนิดนี้ไม่ยุติธรรมแต่แล้วเธอก็ปล่อยกระตายไปไปถึงภาษารภาพกับพิชาโดยเหตุผลโดยตรงพิชายก็ก็เห็นด้วยเดี๋ยวก็อธิษฐานใจว่าโดยบุญกุศลที่ตนทาเนี่ยขอยาที่รักษาแม่ไม่ต้องใช้เลือด ก, กระต่ายก็สามารถรักษาแม่หายได้และในสุดก็หาย โดยฉะนว่าแนวตัวนี้ถ้าสำนวนบาลีนี่ท่านเรียกว่าสัมปัตตวิรัติคืองดเว้นเมื่อมีเหตุการณ์ที่น่าจะล่วงเละเมิดศีลมันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดสำนึกภายในใจที่ดีงามขึ้นมาแล้วก็งดเวน้นไม่ไปประพฤติไ ป, ไปกระทาในลักษณะนั้นทีนี้ศีลที่มันประนีษขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็ไม่ต้องดูอื่นไกลนะฮะดูศีล กิโนบสุดคือจากข้อวิกานัจคีมาลาอุจาเนี่ยมันเป็นการเบียนเปียนตัวเองคือไม่สร้างปัญหาแก่ใครหรอกกินข้าวเย็นดูการเล่นประดับประดาตกแต่งร่างกายหรือนอนบนที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นหรือสมรีมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครแต่ว่าเป็นการทําลายตัวสัตว์จากปฏิญาณของคน คือแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแออยู่ภายในใจของตนแล้วในที่สุดผลร่วงละเมิดได้มันก็เตลดเิดเปิดเผยไปกันในี้หรือบางครั้งบางคราวเนี่ยมันไม่จะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรเช่นสมมติว่าพระเจ้าทรงบัญญัติให้ภิกษุนุ่งห่มไม่เรียบร้อยสมมติว่าเกิดจะนุ่งห่มไม่เรียบร้อยขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่บาปอะไรหรอก แต่ว่ามันเป็นการทำลายสถานภาพที่ควรจะเป็นที่ตั้งแห่งสถาปศาธากของบุคคลอื่นหรือว่าฝากภูมิใจในหลักการครองตนของบุของของตนเองเนี่ยให้มันลดน้อยถอยลบไปแล้วก็กลายเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่ตนสังกัดเป็นสมาชิกอยู่ทําให้เกิดความแหนงใจรังเกียจ ห้องใจสงสัยต่งางๆเพราะหลักของศีลเนี่ยมันมั น, ม, นมันจึงสรุปแล้วก็คือว่าเป็นการกดเว้นจากการเบียดเบียนตนเองกดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นแล้วกฏเว้นใน ก, การเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายและพอยิ่งเปรีนี่เนี่ยมันเบียดเบียนตนเองเป็นหลัก คือทำลายสถานภาพตัวเองให้ตกต่ำลงไปเช่นสมมติว่าพระฉันอ า, าหารจับจับฉันอาหารสู้สู้ฉันอาหารเลียมืออะไรเนี่ยก็เป็นความไม่เหมาะควรเฉพาะตัวท่านผูดท่านมันไม่ได้ถึงกับไปทําลายองค์กรอะไรให้เดือดร้อนอกแต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยจะตกต่ำลงในด้านจิตปัญญาเพราะหลักการเหล่านี้จึงเป็นหลักการที่ คนจะต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบในการพินิษพิจารณาแล้วก็จะเกิดความเข้าใจมีความประณีตขึ้นไปโดยลำดับจุดถึงจุดหนึ่งก็เกิดสำรวมระวังขึ้นไปโดยได้โดยอัตโนมัติเองนะคือปัญญาเหียนชอบซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละขณะเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่วินิจฉัยตัดสินว่าอะไรควรอะไรไม่ควร อะไรควรเว้นอะไรควรประพฤติเพราะว่าเรื่องระดับศีลมันเป็นการออกมาทางกายกับทางวา จ, จาเนี่เป็นหลักเพียงแต่ว่าถ้าเป็นระดับระดับพระนะระดับพระระดับภิกษุณีก็ mm hmm. เ, เรียกว่า mm hmm. เป็นปาติโมกสวรศีลคือศีลที่จะต้องสำรวนระวังตามบทปัญญิแห่งประปาติโปกเนี่ย บันทีชาวบ้านไม่เกี่ยวเช่นสมมุติว่าภิกษุมองเพศตรงกันข้ามด้วยจิตกําหนั่เจ้ามองด้วยจิตเก็บนั่นรนนหรือภิกษุณีเพ่งมองผู้ชายด้วยจิตเก็บนั่นเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นต้องอบัยคือไม่เรียกว่าการสีนะต้องอบัติ อาบัตก็คือโทษที่เกิดขึ้นเพราะการละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามแล้วก็ไม่ทำตามข้อที่พระเจ้าทรงอนุญาตก็เรียกว่าอาบัติพรา ะ, ะนั้นถ้าใครไปละเมิดมันก็ถือว่าประทุษร้ายตัวเองคนที่ถูกมองก็ไม่เดือดร้อนอะไรหรอกแต่ว่าจิตใจเราที่มองเนี่ยมันขุนมัวมันถูกเผาหลนด้วยราคาะโดโลภกะ็แล้วแต่เพรา ะ, ะน้นมองด้วยความคมาดหวัร้ายมองด้วยโทสะ มันก็มีปัญหาแต่ผู้ที่มองเช่นเดียวกันประการต่อไปนั้นก็คือสุตะหรือสุตะคือบางทีท่านก็เรียกว่าสูตรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เจอเนี่ยก็จะเรียกว่าสุตตะเพื่ประการศึกษาเรียนรู้ซึ่งบางครั้งก็ใช้คำว่าปูสัจจาบ้างปูสูตรบ้าง แต่ว่าเนื้อหาสาระเร้วก็เหมือนกันคือเป็นการพัฒนาปัญญาขึ้นไปโดยลำดับพัฒนาปัญญาระดับของการศึกษาเรียนรู้โดยการเรียนรู้มาทำภาษาสัมผัสอย่างที่เราศึกษาเราเรียนก็นอยู่ในปัจจุบันที่จริงอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆในปัจจุบันนั้นก็มีบ้านแล้วประการต่อไปนั้นก็คือต้องทรงจาเรื่องราวเหล่านั้นเอาไว้ ซึ่งก็มีปัญหาที่ข้องใจสงสัยระบบการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยที่จริงในบงการศึกษาเนี่ยได้ยิงก็บ่อยๆและเราก็นึกไม่ออกถยูจนเดียนนี้นะแล้วก็เคยไปอบรมครูในที่ต่างๆบอกไหนลองสาธิตดูซิพิธีสอนโดยไม่ต้องจำให้ในักเรียนคิดเองทำเองแต่ัดสินใจเองนี่ลองลองอธิบายดูสิหมายความมาทอยางไ คือมันเป็นการฝืนกระบวนการของธรรมชาติหรือท่านเหล่านี้จะคิดยังไงแสดงยังไงเนะี่ยยังไม่เคยดูนะครแต่พยายามฟังเวลออาเขาอธิบายออกโทรทัศน์พยายามดูวิธีเขออาอธิบายมันก็ไม่ได้บอกไม่จำเนี่นะก็ต้องจำเพราะไม่จํามันก็ทําไม่ได้และการศึกษาเรียนรู้อย่างวันก่อนที่ดรรุ่งก็นําอะไรอะไรการ สอนลิงที่ชุมพรมาให้ดูสุราษฎร์มาให้ ด, หดูแล้วก็เห็นชัดเจนนะฮะว่ามันก็ใช้ประสบการณ์แบบธรรมชาติของมนุษย์นี่แหละคือเห็นบ่อยๆฟังบ่อยๆดูบ่อยๆได้ยินบ่อยๆจะต้องบ่อยๆนะฮะมันก็คือความจําคือเป็นการเพิ่มหน่วยความจําขึ้นไปมากๆแล้วเมื่อรับมามากจําได้มากคิดได้มากมันก็รู้มาได้มาก มันเป็นกระบวนการอย่างเนี้ยแล้วไปศึกษาแบบตัดตอนเด็กคิดตัวเองให้เด็กเป็นศูนย์กลางนะเขาเป็นศูนย์กลางมานานแล้วนะฮะตั้งแต่แมนเต่ไรมาคือก็ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วสมัยพุทธกาลในพระพุทธเจ้าสอนธรรมะก็ผู้ฟังเป็นศูนย์กลางไม่ได้องพระองค์เป็นศูนย์กลางเพราะงั้นเวลาสอนธรรมะเนี่ยก็เรียกว่าสอนเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อนุเคราะห์ต่อชาวโลก สอนอะไรสอนแก่ใครสอนอย่างไรสอนโดยวิธีใดสอนไปแล้วเขาจะรับประโยชน์อะไรอย่างไรนะระดับใดเนี่ยมันก็มีผู้ฟังเป็นเป้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเ น, นะ่ยอมาพูดมันเหมือนกับคนไม่เคยอ่านตำนานทำพุทธศาสนาเลยนะไปเราพูดเนี่ยจะแสดงว่าอะไรต้องผรั่งบ้าทั้งหมดเลยไปเมืองผาลังมาทีก็ออกมาจะพูดมาคุยโ ม, ม้โอวดกันก็เราก็ดูไม่เห็นมันมีอะไร และบางทีเนี่ยมันจะตกเป็นเครื่องมือเครืองมือของต่างชาติระยะยาวๆคือสอนไม่ให้เราคิดเนี่ยสมองลงุ่งแล้วก็มีแต่เครื่องจิ้มเครื่องกดมาให้มีเกรมีเกมเกต่างๆกดอย่างนั้นจะรู้เรื่องนั้นกดอย่างนั้นได้รู้เรื่องนั้นเสียเงินจ้าต่างประเทศไปเหมูา่ลานพันลึกเท่าไหร่ก็ไม่บอกวัฒนธรรมมันเป็นอนาณาณิคมทางจิตปิญญาณไปเลย พังการศึกษาที่พระเจ้าวางไว้เนี่ยไม่ล้าสมัยหรอกไม่ต้องไปกลัวเป็นการศึกษาระดับที่ต้องยุติการศึกษาคือไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่ดูแลศึกษาแล้วหมดกิเลสเนี่ยมันมีใครสอนที่ไหนบ้างนอกจากพระพุทธเจ้าสอนเพราะในการศึกษาตรงนี้ ไปถึงจุดเดึงมันก็ต้องแม่นนะฮะในกฎเกณฑ์ในสูตรต่างๆในหลักการสําคัญต้องกันต่างๆเนี่ยต้องจําได้แล้วเมื่อครบสามประการนี้แล้วเนี่ยก็แสดงว่ามีประสบการณ์ตรงทางประสาทสัมผัสเคยได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มได้จับต้องมาแล้วก็จําไม่ได้จําหลักสําคัญต้องกันไม่ได้แม่นในกฎเกณฑ์แม่นในสูตรต่างๆตอนนี้คิดได้แล้วแต่มันก็ขยายความคิดไปเรื่อย อย่าได้เคยกตัวอย่างให้ฟังวันก่อนเลยว่าวถ้าเรามองมองที่มงคลสูตุดในจุดประกายของสมาธิเนี่ยมันเริ่มพัฒนาจากเนี่ยจากสุดตเนี่ยแต่ตรงนั้นชายชายทรงชายคำว่าบาหุสจักรคือศึกษาสดับสําความมากมีความฉลาดในศินละปละอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มีวิเนัยที่ศึกษาสําเด็จดีแล้วนั้นก็เริ่มความรู้ดีกับความประพฤติ ด, คดีความคิดดี แล้วก็พัฒนาตัวเองไปปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเชิงสร้างสารรคก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงมรรคผลนิพพานเราก็เห็นว่าในความเป็นมรรคผลนิพพานนั่นเองมันเป็นความสมบูรณ์ของความรู้กับความประพฤติซึ่งก็พูดมาตั้งแต่ข้อต้นในการศึกษาเรียนรู้ก็เป็นความรู้ในการมีวินัยในตัวเองก็เป็นความประพฤติในศินละปะก็คือความฉลาด ในหลักการในพิธีการในวิชาการในดาต่างๆแล้วก็นำไปใช้ในการควบคุมตัวเองนำไปใช้ในการปฏิปฏบัติภารกิจการงานเป็นต้นเนี่ยได้ดยดีนั้นก็จัดว่าเป็นหลักการสำคัญเป็นการเสริมสร้างให้เกิดสมาธิจิตขึ้นมาประการต่อไปก็คือ ก็รีสัตนาหรือสนทนานะฮะถ้าเราแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือสนธนาแต่บาลีที่ท่านเขียนเนี่ยท่านเขียนแค่สัธนาคือนำมาสนทนาแลกเปลี่ยนกันซักถามการอภิปรายกันแล้วก็พยายามที่จะหาข้อยุติที่มีเมีผลคือไม่ใช่ตัดสินใจเองหรอกว่ากระตามความเป็นจริงเนี่ยการศึกษาเราก็ต้องต่อยอดไปจากเรื่องที่ท่านได้ศึกษาค้นคว้า ม, มาแล้ว ก็ต้องอาศัยข้อมูลที่ท่านมีอยู่ก่อนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการคิดต่อไปขยายต่อไปไม่ใช่ไปทอดทิ้งข้อมูลที่ท่านเก็บเอาไว้สะสมเอาไว้ถ้าอย่างนั้นเราก็ศึกษาไม่ได้แร้นี่ก็เป็นแนวหนึ่งที่จะเพิ่มสมาธิเราสังเกตว่าแต่และเรื่องเนี่ยมันจะเน้นไปในเรื่องการใช้ปัญญาวินิพิจารณาราะการรักษาศีลมันก็พิจารณานิทในที่ศี การศึกษาเรียนรู้ก็พิจารณาสิ่งที่เราศึกษาเรียนรู้สนทนามันก็พิจารณาถึงสิ่งที่นำมาสนทนากันในการบอกกล่าวชี้แจงจากบุคคลทั้งหลายดูความสมเหตุสมผลในเรื่องเหล่านั้นแล้วกใจแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นผลของอะไรต่อไปคือสมถะเป็นการทำใจสงบคือเจริญสมถกรรมฐานเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวนะคือจะพูดในช่วงของสมาธิ ึงแสดงเห็นว่าถ้าจิตสงบมันก็จะพบเหตุผลสติปัญญาเกิดตัวจิตที่สงบเนี่ยจะเป็นตัวสร้างปัญญาแต่ว่าในภาคสนามจริงเนี่ยเขาเป็นปัจจัยส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งศีลสมาธิปัญญานอะไรเกิดก่อนเกิดหลังก็ตามก็อย่าให้อย่างอื่นเนี่ยจะเกิดติดตามมาตอ น, นการพยายามทําใจสงบอย่างในสมัยปัจจุบันเราดูข่าวคราวเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏทางสื่อทั้งหลายเนี่ย เราก็พบเห็นความรุนแรงที่ปรากฏออกมาทางสื่อโดยบางครั้งบางคราวนี่ก็นึกไม่ออกนะฮะว่ามันจะหาข้อยุติได้ยังไงซึ่งบางทีนี่ต้องสงบใจเขาเรียกว่าสงบใจจากสิ่งที่เป็นขัดสึกต่อความสงบ อย่างคิดไปก็ท่านนั่นเองยกตัวอย่างในกรณีอของเครื่องบินระเบิดที่ดอนเมืองเนี่ยคือมันก็ต้องพิมพ์ใจนะเพราะว่าใครไม่วางระเบิด ใ, ใครเห็นหรอกมีจะจับได้ทันทีทันใดแล้วก็ไม่มีใครตาที่ผู้ทิพด้วยไม่มีใครมียานอย่างรู้ในเรื่องอย่างนี้ด้วยมันก็ว่ากันไปตามระดับขั้นตอน ในช่วงนั้นถามว่าเราทำยังไงเราไม่มีหน้าที่ก็สงบใจสงบความคิดคือไม่เอามาเหนียวนึกตึดนึกแค่มันวุ่นวายมันเดือดร้อนนั่นก็เป็นหลักการที่ที่จําเป็นจะต้องใช้มากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันคือบางครั้งเราไปไขว่คว้าไปหยิบฉวยเรื่องอะไรต่อไม่ไรรุงรังพันเตนไปหมดเลยเอามาคิดมากรุ่มมาวิตกกังวลแล้วก็มาเดือดร้อนนอนโดยกายหน้าผาก คือในแง่ของความเป็นจริงในเรื่องอะไรก็ตามนะฮะถึงเราทําทําเลยก็ทําแล้วก็จบก็จบเลยไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปแบ่งเป็นฝกักเป็นฝ่ายเพื่อต่อสู้ยื้อแย่งโต้ตอบหรือว่าหรือว่าประทุสล้ายกันมันไม่ได้เหตุผลใดๆเราต้องยอมรับถึงความแตกต่างแต่ว่าอย่านําไปสู่ความแตกแยก ทำไปสู่ความราชานต่างๆอย่างยกตัวอย่างเช่นในกรณีของราชจัญญัตคณะกรรมการปฏิรูปการศาึกษาเนี่ยเก้าท่านเนี่ยคือบางคนมันก็คิดแรงไปนะรับแผนมาจากต่างประเทศอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเนี่ยมันไม่เป็นขนาดนั้นนะนะคือต้องมองเขาด้วยเจตนานีนะคือเขาถูกบังคับด้วยเงื่อนไขของกฎหมายเหมือนกัน แต่มันก็ต้องออกมาในลัลกษณะอย่างนั้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพื้นฐานความคิดเนี่ยก็คิดมาจากการศึกษาเมื่อคิดมากากการาศึกษานั้นถ้าถูกต้องเลยนะถ้าไม่เอาศ า, าสนาเขา้ไปเกี่ยวนี่ถูกต้องสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็มีข้าวที่จะประสบความสําเร็จระดับหนึ่งเนี่ยในการปฏิรูปการาศาึกษาแต่ว่าอย่าลืมนะครับใดคนไม่ปฏิรูปปฏิรูปยังไงก็ไม่ได้ล่ะทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นที่คนแล้วคนก็ต้องเริ่มต้นที่ใจ วันใจเนี่ยมันจะต้องสงบด้วยพราะสงบ ม, ม, มันจะมีปัญญามันจะมีเหตุผลมันจะได้ความคิดคิดมาหลายหลายเรื่องเมืก่อนก็ไปเจอบทความก็ไม่ใช่บทความนะที่จริงเป็นคาสัมภาษณ์อันหนึ่งแล้วก็เป็นบทความอันหนึ่งผู้เรื่องเดียวกันนะเรื่องพระาชบั ญ, ญาติรูปการศึกษา ก็เาจะเห็นว่าบางครั้งมันไปตั้งประเด็นตั้งประเด็นว่าเป็นการทำงานเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมันถามาอะไรคือผลประโยชน์หละคือแสดงว่าเราใช้ความคิดของเรานะฮะคือศาสนาสมมติว่าเราได้ศาสนาสมบัติมาดำเนินการเองมันก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของผลประโยชน์พระทั่วไปเนี่ยไม่มีใครรู้เร า, าศาสนาสมบัติมีเท่าไหร่ แล้วก็ไม่รู้ว่าเอามาใช้ประโยชน์อะไรในวงการระาศาสนาด้วยแต่เราพูดในแง่หลักการของการบริหารองค์กรนะนะว่าถ้าบริหารศาสนาในาศาสนาไหนาก็บริหารตัวเองกันโดยอยู่ร่วมกันแต่อย่าเอาไปรวมกันนั่นคือหลักการที่เน้นย้ำกันอยู่มาตลอด ทีนี้ต่างคนต่างก็ไปไปมองโดยใช้ตัวเองเป็นศูนย์ในการคิดหรือว่าคงจะเป็นผ่วงกลัวตัวเองจะสูญเสียผลประโยชน์มันไม่มีผลประโยชน์อะไรให้สูญเสียแต่เราพูดถึงกฎของธรรมะที่เป็นยุติธรรมเที่ยง ธ, ธรรมแล้วก็เป็นธรรมระน้ดเองต้องฟังเท่างหายแต่รมประุตติยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นครานี้ที่สุดนี้ขอความเจริญขอกงามไปบุญในธรรม